ในโลกนี้อะไรจะเป็นของสำคัญหรือไม่สำคัญอยู่ที่การสมมุติของมนุษย์ท่านพุทธทาสพิขุ วันนี้เรื่องราวที่อยากจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับคุณหมอเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากมีเพื่อนของเราแล้นะค ะ, คะเดินทางมาที่เมืองไทยเธอก็มาจากญี่ปุ่นชื่อฟ้าหรือว่ามาไซโยคุณหมอคงจะพอรู้จักบ้างครับเพราะว่าเป็นขาประจําของวัดป่าสุขโตที่ปีปีหนึ่งเนี่ยจะเวียนมาคราวสองคราวเพื่อมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตดูแล้วก็เป็นอะไรที่ดูดีนะคะคนไทยบางทียังไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยคะ่ะ ุสา <S <S ด้านร่นมาจากญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมมีเรื่องที่แบ่งปันแก่เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมแล้วรู้สึกยังติดใจยอยากจะพูดคุยกับคุณหมอต่อในเช้าวันนี้นะคะครับประเด็นที่คุณฟ้าหรือว่ามาสยเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดของคนญี่ปุ่นซึ่งรู้สึกว่าทำให้ได้เห็นภาพสะท้อนของความเจริญทั้งโลกวัตถุว่า ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้นำมาซึ่งความเจริญอย่างแท้จริงนะคะเราคงทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะหลังจากสภาพที่ต้องเรียกว่าติดลบนะคะแพ้สงครามโลกเสียหายยับเยินคนญี่ปุ่นได้สร้างชาติสร้างชีวิตของตนขึ้นมาใหม่จนกระทั่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปในทางที่ขึ้นเหมือนอย่างที่ผ่านมาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยก็ฟองสบู่แตกไม่แพ้กับบ้านเราเหมือนกันนะค ะ, แ, ะแต่ว่าอาจจะเป็นฟองสบู่ก้อนใหญ่กว่าก็ะมังค่ะก็เลยทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธีคิดที่น่ากลัวที่เราเคยได้ยินว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะจ้างงานกันแบบตลอดชีวิตบัดนี้ก็เปลี่ยนไปละ คนอายุแค่40นะคะคุณหมอก็พร้อมที่จะถูกให้ออกจากงานละหลายคนก็เลยรู้สึกสูญเสียสถานภาพของความเป็นผู้นําครอบครัวของการที่จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตรู้สึกสูญเสียขณะที่เกิดความอับอายไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมกลับไปหาลูกหาภรรยาไปใช้ชีวิตเร่ร่อนเป็นคนจรจัดเรื่อยเปื่อยไปหรือไม่ก็ฆ่าตัวตาย และที่สำคัญคืออัตราค่าตัวตายของคนญี่ปุ่นตอนนี้นะคะอยู่ที่วันละประมาณร้อยคนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะครับ <Yeah. S 1> มานึกถึงว่าโอ้ถ้ารอบตัวเราเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายถึงวันละร้อยคนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคะคุณหมอหน้าหดหูใจเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะอันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดคุยกันในบุมที่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยได้รับฟังเรื่องราวอย่างนี้แล้วเนี่ยมีความูสึกว่า ความเจริญนี้น่ากลัวค่ะคโดยเฉพาะความเจริญทางโลกวัตถุเนี่ยนะคะเหมือนกับอย่างที่หลายคนบกพูดเอาไว้ว่าเวลาที่วัตถุเจริญจิตใจก็จะไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามดูแล้วก็เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าในโลกที่วัตถุเจริญเนี่ยจิตใจเนี่ยกับตกต่ำผู้คนเนี่ยมีวัตถุสิ่งเสพบริโภคที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากมาย แต่ว่าจิตใจกับไม่มีหลักของใจที่จะเป็นจุดยึดเหนี่ยวให้ให้สามารถพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้คนญี่ปุ่นสามารถที่จะสร้างชาติจนเป็นมหาอำนาจได้ด้วยความที่ต้องการจะเอาชนะใช่หคะซึ่งการเอาชนะตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เอาชนะในเรื่องของภายในของตัวเองเป็นการเอาชนะภายนอก แล้วก็ทําได้ด้วยในชั่วอายุคนเพียงคนเดียวนะคะพราะจากสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงแบบ น, นี้เนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไม่น้อยทีเดียวอย่างน้อยก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เรานี่แหละแต่ว่าครั้นพอมีปัญหาทางด้านจิตใจภายในคนญี่ปุ่นกับไม่สามารถที่จะประคองชีวิตให้ผ่านตรงนี้ไปได้พอมานึกย้อนดูถึงบ้านเรานะคะคนญี่ปุ่นที่ว่าขยันประหยัดอดทนเนี่ยนะคะ เจอปัญหาเศรษฐกษิจขาลงเนี่ย <c oughs> ก็ยังรักษาใจตัวเองไว้ไม่อยู่ถ้าเรื่องราวอย่างเนี้ยเกิดขึ้นกับคนไทยเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณหมอมีความเห็นยังไงคะประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นแบบอย่างที่ดีที่น่าศึกษาคือ <c oughs> ก็เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาใช่ไหมคค่ะ <c oughs> ที่เคยย่างลากลึกมาก่อนแล้วก็ต้ยก<ด>ยว่าพื้นฐาจริง มีอิทธิพลของพุทธศาสนาอยู่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้อาจจะค่อนข้างเรือร่างไปมากค่ะนะจนบางคนบางท่านกล่าวว่ากลายเป็นสังคมที่ไร้รากค่ะนะสังคมที่ไร้รากก็เลยกลายเป็นเหมือนผักที่เรียกว่าเป็นพืชที่ไม่มีดินนะะแม่ฟังแล้วน่ากลัวนะคะคสังคมที่ไร้รากโอ้โหเป็นคําที่น่ากลัวมากเลยค่ะขนาดเขาสร้าง โลกทางด้นานวัตถุได้ขนาดนี้นะครับแต่รากฐานทางจิตใจกลับไม่มีเลยครับ อ, อันนี้เป็นคําที่คนญี่ปุ่นเขาพูดเองนะเขาพูดเองเลยเหรอคะ่ะครับได้ยินมามค่ะว่าลักษณะที่เราเป็นสังคมที่ไร้รากคือคนรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะไร้ทิศทางค่ะถ้าเราย้อนระลึกถึงว่าที่มาที่เขาสร้างชาติขึ้นมาสําเร็จเนี่ยค่ะมันมาจากการที่ โดยฐานที่เขาสร้างชาติขึ้นมาจนสําเร็จเนี่ยเป็นไปด้วยแรงอากุศล น, นะครแรงอกุศลในมผมว่าเป็นแรงอกุศลก็คือว่าเขาต้องการเอาชนะในบางสิ่งบางอย่างสู้เพื่อนะเอาชนะภายนอกครับต้องการเอาชนะสภาวะความยากลาบากค่ะนะที่พ่ายแพ้สงครามพ่ายแพ้สงครามต้องการอเอาชนะประเทศตะวันตกนะฮะซึ่งมันมาคนละฐาน ถ้าเป็นฐานที่ถูกต้องเลยควรจะเป็นฐานของปัญญาคหรือฐานของเมตตาความอดทนความอดกัน้นความมานะบากบัน่น ค, ความขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันอยู่บนฐานของความทะเยอทยานนั้นเป็นป ม, มือ่อเมื่อมันมาจากฐานนั้นเนี่ยเป้ามันก็ต้องจบลงไม่ดีไม่สวยใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เกิดจากฐานของการแก้ปัญหาภายในหรือว่าจากฐานการมีสติปัญญาไม่ว่าฐานที่เมตตาจริงๆค่ะ อันเมื่อมันพัฒนามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ทำลายตัวมันเองหรือว่าทำลายตัวมันเองให้เราได้เห็นอันถ้าประเทศของเราพัฒนาไปในทิศทางนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าภาพมันก็คงไม่แตกต่างกันค่ะเอ๊ะแนวโน้มของสังคมไทยเราเนี่ยไม่ทราบว่ารากจะเริ่มขาดแคลนบ้างหรือยังคะเนี่ยลายกลายเปนสังคมไรรากไปด้วยตอนนี้รากเราเล็กลง เราก็จะถูกลากไปมากขึ้ น, นะถูกลากไปตามที่เราว่าสังคมบริโภคนิยมเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไม่มีรากใช่ไะแล้วก็เลยถูกลากไป <c oughs> นะด้วยกระแสของวัตถุนิยมถ้าเราไม่มีหลักใจของเราที่แท้จริงมันเป็นเครื่องอยู่ภายในเนี่ยพบว่ากระแสโลกาภิวัตน์หรือว่ากระแสทุนนิยมเนี่ย เราเอาไม่อยู่แล้วครับมันต้องลาก <Okay. S 2> เราไปจนสำเร็จจนได้นะพอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยิ่งให้น้อมถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงตรัสถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้วทีเดียวแต่ว่ากระแสะการขานรับเนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยค่ะคปีนี้ก็เห็นมีหลายหน่วยงานพยายามจะพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในภาคปฏิบัติแล้วจะทำได้แค่ไหนแต่แล่ดูแล้วเนี่ยราวกับว่าจะเป็นทางออกเพียงประตูเดียวของสภาพความเป็นไปของเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทีเดียวเลยนะคะครับเป็นทางรอดทางรอดที่เป็นทางออกทางเดียวที่จะเหลือรากเอาไว้ให้หายใจบ้างถ้าจะให้ได้บทเรียนจริงๆเนี่ยเหมือนเราไม่จาเป็นต้องไปดื่มเหล้าให้เมานะครับเราเห็นคนเมาที่เขาเมาอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะ น้อมเอาสภาวะหรือปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะเอามาเทียบกับตัวเราก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องไปกินเหล้าให้มันเมาซะเองนะฮะก็คือว่าอย่ารอที่เราจะต้องเป็นอย่างเขาซะก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาครับให้เห็นตัวแบบตัวอย่างที่เขากําลังเป็นอยู่เป็นไปแล้วก็รสรุปมาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลับลําซะก่อนที่จะไม่มีลําให้กลับนะคะครับค่ะอย่างประเทศอะไรต่างๆที่เขาว่าเฉลยน่ะลองลองไปดู ให้แท้ๆว่าเขาเฉลยจริงไหมเนี่ยแล้วเราเอาความจริงอันนั้นเนี่ยมาช่วยกันขยายให้คนไทยด้วยกัรเน้นได้ทราบอย่าไปามองด้านเดียวเนาะมองให้รอบด้านสักนิดนึงก็จะเห็นว่ามีอะไรที่เราเรียนรู้แล้วนํามาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราได้นะคะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยลงทิศลงทางน้อยลงค่ะนะครับแล้วก็เรียกว่าปรับทิศทางของประเทศชาติเนี่ยปนะทิศทางที่ถูกต้องซึ่ง ตรงจุดนี้มนมีความสำคัญต่อการปรับทิศทางภายในของประชาชนในประเทศด้วยเพราะว่าถ้าเราหวังว่าจะให้การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติรุ้ล่วงไปด้วยดีเนี่ยแต่เรายังดำเนินนโยะบายที่มันสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ก็ถึงได้วันหวั่นใจอยู่ละค่ะว่าเราเนี่ยยังเดินเข้าสู่เส้นทางของวัตถุนิยมทุนนิยมแล้วก็ความเจริญทางวัตถุกันอยู่อย่าง แพร่หลายนะคะก็กลิ่งเกงใจว่าเราจะไปย้อนรอยที่เขาผ่านกันมาแล้วอยากจะให้พวกเราเนี่ยมองอะไรให้ไกลกๆแล้วก็กว้างๆสักนิดนึงแต่ อ, อันนึงที่เราก็อาจจะพิจารณาได้เช่นเดียวนะครับพี่สริาค่ะการที่เราไปทำอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะยังไงคะคือ มันจะทำให้เราเห็นทุกได้ชัดขึ้นนะฮะอ๋ะอเหรอคะเหมือนกับช่วงที่ยุคเศรษฐกิจล่ม IMF เข้าค่ะเราก็ได้พระดีๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปน ะ, ะ, ะจากสภาวะที่เศรษฐกิจล่มค่ะอาจจะเคยได้ยินนะว่าน้ำร้อนปลาเป็น น, น, น้ำเย็นปลาต า, ตายใช่ไหมค่ะนั้นบางทีถ้าไม่ทุกเนี่ยบางทีมันก็ไม่หาทางที่จะออกจากทุกค่ะ ยังเพลินอยู่หรือว่ามันสบายดีเย็นเย็นดีเฉมเฉมแช่แช่เฉยเฉยไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้บางทีมันก็อยู่เหมือนอยู่ในน้ําเย็นนะ<อ>แล้วก็ตายไปกับตรงนั้นโดยที่ไม่ค้นควายที่จะหาทางออกจากทุกข์คุณหมอพูดยังับว่าต้องให้ทุกจนกระทั่งถึงจุดยูเทินแล้วจะหายทุกเองหรือ ย, อยังไงคะนี่ก็คือต้องอาศัยประเภทว่า ตกกะไดพอยกระโจูนะที่จีนหน้าเลยค่ะเหมือนอย่างแหจารย์กรรพนเป็นเธอฮะไหนไหนมันฝืนกระแสไม่ได้แล้วนะก็โหนกระแสนั้นไปเนี่ยเพราะว่ากระแสนี้เนี่ยมันกระแสนําไปสู่ทุกอยู่แล้วค่ะยังไงก็ไม่รอดจากกระแสแห่งทุก์แน่นอนอถ้าดําเนินไปอย่างนี้แต่ในกระแสนั้นเนี่ยเราโหนกระแสแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ไหมอืมแล้วตรงเนี้ฮะในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่จะมาอะไรว่าถ้าคนมองเห็นเนี่ยนะนะปรากฏชัดขึ้นภาวะทุกข์ที่บีบคั้นขึ้นไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องส่วนตัวนะครอบครัวหรืออะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะต้องมาปรากฏกับตัวเราเองได้มากขึ้นชัดขึ้นนี hmm. ่ก็บางคนบางชาตินเนี่ยก็อาจจะได้ตื่นมากกว่านี้นะตื่นเห็นทุกเมื่อคนเห็นทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเห็นด้วยความจริงใจนะเห็นจากใจจริงๆเนะี่ยผมว่าเขาก็จะสแสวงหาทางออกจากความทุกข์ได้เองอนะะซึ่งพวกเราก็เปิดไฟสว่างไว้นะะพี่ศรีนินหน้าก็พยายามจุดคบเพลิงสองทางไว้นะเผื่อจะมีใครมองหาก็จะได้มองเห็นแสงไฟนะอย่างน้อยนยะนะก็มีทางสว่างให้กับกลุ่มคนพวกนี้ ะนะครไม่มากก็ น, น้อยคุณหมอพูดเรากับว่าเป็นผู้พยากรณอนาคตเลยนะคะว่ากระแสอย่างนี้มันจะต้องเป็นไปแล้วก็ให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมโดยเฉพาะแนวร่วมของชมรมเพื่อนคุณธรรมนะคะเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนกระบวนการก่อการดีพร้อมกันเลยนะค ะ, ะคถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ย่ําแย่กว่าที่เป็นอยู่นี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันค่ะ เป็นเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงประคับประคองคนที่เราพอจะประคับประคองได้ให้นําพาจิตใจของเขาไปสู่ฝั่งอันเกษมให้ได้เท่าที่จะพอทําได้แล้วนะคะครับตามสติกําลังเพราะว่าเราเนี่ยคงจะทันกระแสตรงนี้ไม่ไหวแล้วค่ะด้วยกําลังอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ครับขอเพียงแต่ว่าเรามีสายตาอันยาวไกลได้เห็นความเป็นไปแล้วก็ใช้ชุดอย่างมีสติรู้เท่าทันนะคะครับแล้วก็ไปตามกระแส แต่ว่าประคองจิตของตัวเองเอาไว้เสมอครับขึ้นชื่อว่าโลกนะผมเคยทราบความหมายของคำว่าโลกมาว่าแต่ว่าฉิบหายนะขึ้นชื่อว่าโลกเนี่ยครับไม่ทราบวัตถูุเพื่อผิดนะแต่เคยจํามาอย่างนั้นนั้นใครที่ยังคล้องอยู่กับโลกเนี่ยก็คือยังคล่องอยู่กับความเสดินทางไปสูความฉิบหายนั่นแหละฮะนั้นใครที่ตื่นขึ้นมาก่อนพยายามปล่อยพยายามออกจากโลกจะได้เขาก็จะพ้นจากเส้นทางสู่ความฉิบหายได้ค ดันถ้าเราทำทุนทำทางทำโอกาสไว้ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอเนะี่ยผมว่าเป็นทางลอดที่เราพอทำกันได้นะคนละไม้คนละมือนะครับเพราะว่าเส้นทางของโลกมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าใครตื่นมาจากโลกได้นะหรือว่าหาหนทางที่จอกจากโลกเนี่ยเราก็เรียกว่า พร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีค่ะแต่ถ้าจะไปบังคับให้โลกเปลี่ยนทิศทางเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้คะมันเป็นกระแสที่มันจะต้องเป็นไปนะคะครับก็แลดูแล้วเหมือนกับว่าความเจริญเนี่ยก็มีจุดสิ้นสุดสะดุดหยุดลงได้เหมือนกันนะคะครับเราก็จะได้เห็นกันในช่วงยุคหลันี้กันไหมคะควาเจริญนั้นมันมาจากคนฐานนะค่ะความเจริญนั้นมันเจริญมาจากฐานของกิเลสตัณหาอุปาทานอืมนะครับ นันสิ่งที่มันสร้างขึ้นมามันก็สนองจุดนั้นนะสนองความเป็นตัวตนแล้วความเป็นตัวตนกิเลสทันหาอุปาทานมันก็ทําลายตัวมันเองอยู่แล้วเพระนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสนี่คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือทําลายแม้แต่ตัวมันเองแต่ว่าตัวมันเองจะพออพูนตัวมันเองหรือจะทําลายตัวมันเองนี่มันต้องประกอบด้วยปัญญาค่ะกิเลสข่าวไรที่มันเกิดขึ้นทุกข่อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนมีสติปัญญาเนี่ยสอดส่องตามไปเนี่ย มันก็จะนําไปสู่บ้านมันเองค่ะดังนั้นถ้ามันนําไปสู่บ้านมันเองเรามีสติปัญญาสอดส่องตามไปโอกาสในการที่จะเรียกว่าขุดลากถอนโคนมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วเราหลงตามนี่มันก็พอกคูณไปอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยเหมือนกับปลาเวลามันบ่อนน้ำใช่ไหมคนที่หวานแหเนี่ยเวลาเขาจะหวานเนี่ยเขาไม่ได้หวานสุ่มสี่สุ่ม 5. ห้าแวหานสุ่มไปเรื่อยนี่บางทีมันไม่ค่อยได้ปลาหรือว่ามันมีโอกาสได้ปลาน้อย แต่เวลาเราจะหวานเนี่ยเราก็ต้องดูจังหวะที่มันบ่อนเห็นคลายน้ําขึ้นมาใช่ไหมค่ะแล้วก็หวานครอบลงไปตรงคลายน้ํานั้นโอกาสที่จะได้ปลากระสูนเหมือนผู้ที่เจริญสติเนี่ยเวลาเจริญสติเราไม่ได้ปิดบังอารมณ์ค่ะไม่ได้กดดันความคิดไม่ใช่ห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ให้โกรธเราปล่อยให้อารมณ์พวกนั้นเนี่ยปรากฏตามความเป็นจริงแล้วเรามีสติปัญญาเนี่ยสติสัมปชัญญะเล้วอลึกรู้ตามไปเนี่ย มันก็จะเป็นทางที่จะนําไปสู่รากเงาของมันคือทําลายรากเงาของมันด้วยตัวสติปัญญาเองด้วยด้วยตัวมันเองพากลับไปเองด้วยแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะนะมันเกิดขึ้นมามันก็พอกไปเรื่อยใช่ไหมพอกไปเลยนั้นทุกเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันก็ดีนะมันทํานําไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ต้องมีสติปัญญานะสติสัมปชัญญะประกอบต้องกรงเล็บไว้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีสติและปัญญาควบคู่ ทุกนั้นย่อมจะพาไปสู่ทุกที่ยแย่ๆกว่าเดิมไหมคะครับทุกซ้าซากค่ะซ้ําซ้อนนะทุกซ้ำซากแล้วลึกซึง้ง อ, อย่างไม่มีทางออกทางเดียวที่จะเป็นทางออกของความทุกข์ได้ไปสู่ความไม่ทุกข์ได้ต้องอาศัยสติและก็ปัญญาเนี่ยแหละค่ะครับให้สติปัญญาศึกษาปรากฏการณ์แท้ๆ ท, ที่มันปรากฏต่อเราเนี่ยโดยไม่หักสแล้วก็ไม่ปฏิเสธค่ะนะะยอมรับมันแล้วก็ ตามดูมันเนี่ยนะค่ะเป็นอุบายวิธีที่จะนําเราออกจากความทุกข์ได้จริงๆค่ามันทิศทางของโลกที่มันเป็นไปเราต้านกระแสเหล่านั้นไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะต้านได้ออย่าหวังว่าจะต้านได้หรืต้านเลยะคเปลืองสมองค่ะะอย่าคิดก็หลายคนวิตกจริตค่ะกับความเป็นไปของกระแสสังคมหรือว่ากระแสการเมืองอะไรต่างๆนะคะให้ทําใจเถอะนะคะครับพ้่นกระแสให้ได้อะไรจะเกิดอะไรจะเป็นก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ข้อสำคัญใจเรานั้นนะคะอยู่ตรงไหนสำคัญกว่าเวลาคิดจะได้โอกาสจากปัจจัยที่มันกำลังเป็นไปเนี่ยต้องรีบฉวยเนะยโอ้อันนี้เยี่ยมอโอกาสที่เห็นความแปรเปลี่ยนไปเห็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดนะแต่ว่าทุก สนสาหัสแต่ว่าหน้าตาก็ยังยิ้มแย่ๆได้อยู่เนี่ยก็เราก็ได้เรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้อย่างที่บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเมาซะเองนะเราเห็นคนอื่นเมาเราก็สยองแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าจะเป็นจุดสําคัญนะที่ทําให้เรามองเห็นชีวิตได้ชัดขึ้นคนะคะับเห็นชีวิตได้รอบด้านขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทดสอบทดลองไปเป็นอย่างนั้นก็ได้คนะ ที่จะรณาชีวิตรอบข้างที่มันปรากฏขึ้นกับเราเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์เยอะคนระับทั้งหมดนี้โดยฐานของมันแล้วนี่ก็คือว่าฐานที่เมิรมมาจากการที่เราเห็นความทุกข์นี่แหละครับค่ะฐานที่เปลี่ยนใจเราได้จริงๆก็คือฐานสติหรือว่าการเจริญสติซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำมาให้เรามองโลกเรียกว่าชัดขึ้นค่ะชัดขึ้นนั้นสติสัพพัญญะความรู้สึกตัว เรรียรู้ที่ปัจจุบันขณะพินิจพิจารณาปัจจุบันขณะทีละขณะทีละเวลาทีละแดนงานไปเรื่อยๆเนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะเพราะมันเคื่อบคุลทั้้นเราเกิดมีสติปัญญาพอกพูนไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราดูความเป็นไปของโลกเนี่ยนะคะก็อย่าลืมที่จะดูใจของตัวเองไปด้วยใช่ไหมคะครับต้องรักษาใจไว้เป็นระดับหนึ่งค่ะนะครับในขณะเดียวกันเราก็มองโลกเรียนรู้โลกที่ดีก็เรียนรู้ ค่ ะ, อะไอที่ไม่ดีก็เรียนรู้เหมือนกันอ uh huh. รู้ที่จะไม่ทำํำกับรู้ที่จะทําค่ะนะครับแต่ว่าไม่ปฏิเสธมันนะไม่ปฏิเสธอะไรที่เราทําได้ก็เชื่อกันนะครับอย่างที่ที่ดีน่นาทว่ากระบวนการก่อการดีเนี่ยฮะก็สุดท้ายก็ขอจบลงตรงคําเริ่มต้นของรายการในเช้าวันนี้ที่ว่าในโลกนี้อะไรจะเป็นของสําคัญหรือว่าไม่สําคัญเนี่ยอยู่ที่การสมมุติของมนุษย์จริงๆนะคะ เราเคยให้ความสำคัญกับความเจริญทางวัตถุวันนี้เราคงจะต้องมองย้อนกลับอีกทีแล้วล่ะค่ะว่าเราจะให้ความสำคัญกับอะไรเพื่อความอยู่รอดของชีวิตในวันพรุ่งนี้นะคะ